ได้ก็ไมมาใกล้ใกล้หน่อยจะได้ยินเสีย ทำบุญเราก็าทำไม่จำเป็นต้องเจาะจงเจอจงังเลยกันได้บุญ <c ười> คือทําบุญให้มันมีประโยชน์สองส่วนบุญสองสองอันบุญอันแรกก็คืออาหารเราทําบุญแล้วใจเรามีความสุขมีความอิ่มอันนี้ทํากับใครก็เหมือนกัน ส่วนอีกอันหนึ่งคือบุญที่เราจะได้รับจากที่บุคคลที่เราไปทำบุญด้วยอันนี้ก็แล้วแต่ว่าบุคคลนั้นเขามีอะไรจะให้เราถ้าเขามีศีลเขาก็จะให้ศีลเราเขามีปัญญาเขาก็จะให้ปัญญาเราถ้าเราต้องการคนสอนเรื่องศีลเราก็ต้องไปทำบุญกับคนที่มีศีล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 ปริญญาตรีก็ต้องไปคุยกับคนที่เขาจบปริญญาตรีอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเราต้องการความรู้ <c oughs> ในเรื่องศีลธรรมก็ต้องไปคุยกับพระที่มีศีลธรรมถ้าอยากจะได้พระย้ายความรู้เกี่ยวกับการนั่งสมาธิก็ต้องไปคุยกับพระที่นั่งสมาธิเป็นถ้าอยากจะได้ความรู้เกี่ยวกับ ปัญญาการหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆก็ต้องไปคุยกับพระที่มีปัญญาพระมีปัญญาก็มีหลายมีสี่ระดับพระโสดาบันพระสะกิดาคามีพระอนาคามีพระอาหารหันต์แต่ละคนก็จะสอนได้ในระดับที่ตนรู้สอนที่สูงกว่านั้นไม่ได้เช่นพระโสดาบันก็จะสอนให้เราบรรลุเป็นโสดาบันได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 ก็บุญมากบุญน้อย ก, ก็เกิมีความสุขมากหรือมากน้อยต่างกันไงถ้าบรรลุเป็นพระโสดาบันก็มีความสุขมากกว่าอพระที่มีสมาธิอย่างเดียวแล้วถ้าได้พระสกิราข้างมีก็จะได้ความสุขมากกว่าพระโสดาบันถ้าได้ได้เป็นพระอรหันต์ก็จะได้ความสุขเต็มร้อยนั่น คำร่าบุญก็คือความสุขใจความสบายใจการทำบุญทำทานนี้ก็ได้ความสุขใจสบายใจในระดับหนึ่งถ้าอยากจะได้มากกว่านี้ก็รักษาศีลรักษาศีลห้าก็จะได้บุญได้ความสบายใจมากกว่าการทำบุญทำทานถ้ารักษาศีลแปได้ก็จะได้มากกว่าการรักษาศีลห้า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 ความสุขที่ได้จากสมาธินี้ยังเสื่อมได้ออกจากสมาธิมาแล้วเดียวมันก็เสื่อมแต่ถ้าได้ปัญญาแล้วมันจะไม่เสื่อมอันนี้ก็มีเป็นบุญระดับต่างๆมากน้อยต่างกันไปขึ้นอยู่กับการปฏิบัติของเราทำทานก็เหมือนกับได้แบงยี่สิบนี้ถ้ารักษาสีหน้าก็ได้แบงห้าสิบ นักษาศีลแปดก็ได้แบงค์ร้อยถ้านั่งสมาธิก็ได้แบงค์ห้าร้อยถ้าเจริญปัญญาก็ได้แบงค์พันจะเอาอะไรก็เลือกเอาแต่จะไปจะเจริญปัญญาโดยไม่มีสมาธิก็ไม่ได้จะนั่งจะเอาสมาธิดยไม่มีศีลก็ไม่ได้นั่งสมาธิก็ต้องมีศีลแปดก่อน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 เพืจะได้เงินมามา ก, มากๆเร็วๆง่ายๆนี่ดังนั้นทาขั้นต่างๆนี่บุญขั้นต่างๆนี่ก็เป็นเหมือนกับโรงเรียนเนี่ยมีขั้นอนุบาลขั้นปถมขั้นมัธยมอขั้นอุดมศึกษาที่เราบอกว่าเราอยากจะเข้าอุดมศึกษาเลยเพราะบุญมากได้ความรู้มากแต่ถ้าเรายังอ่านกอไก่ขอขายไม่ได้เราก็ ไปเรียนก็เรียนไม่ได้สอบเข้าเขาก็สอบตกเนี่ยก็สอบสอบไม่ได้เนี่ยระดับสู ง, สงๆเขาไม่อยู่ดีดๆใครอยากจะเรียนก็ให้เรียนที่ไหนเขาต้องคัดเลือกดูว่ามีความสามารถที่จะเรียนได้หรือเปล่าทำก็เหมือนกันทาทุกขั้นก็ต้องมีการสอบคัดเลือกสมัยนี้เรียนอนุบาลยังมีสอบคัดเลือกเลยยังนะไหมก็ว่าอะไร การทํเหล่านี้มันก็จะมีการคัดเลือกกนะารที่เราจะทําบุญทําทานได้เนี่ยเราต้องมีอะไรเราก็ต้องมีความเมตตาเราต้องมีความปรารถนาดีกับผู้อื่นอยากให้ผู้อื่นเขามีความสุขนะเรารักใครเนี่ยเราก็มีความเมตตาพอเรารักใครเราก็ให้เขาง่ายนะซื้อข้าวซื้อของซื้ออะไรให้เขาอย่างพ่อแม่รักลูกเนี่ยซื้ออะไรให้ลูก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 เพราะการรักผู้อื่นมากกว่ารักตัวเราทำให้เรามีความสุขมากกว่ารักตัวเราเรารักตัวเราเราก็อาจจะไปทำร้ายคนอื่นได้แต่ถ้าเรารักคนอื่นมากกว่ารักตัวเราเราก็จะไม่ไปทาร้ายเขาเมื่อเราไม่ทาร้ายเขาเราก็จะไม่ทุกข์ความทุกข์ใจของเราเกิดจากการที่เราไปทาร้ายคนอื่นความสุขใจของเราเกิดจากการที่เราไม่ไปทำร้ายคนอื่น ใครเขาทําร้ายเราเราก็ให้อภัยไม่อาฆาตพยาบาทไม่จองเวนจองกรรมเนี่ยนั่นเลยว่าสัตเพสัตตาเอเวลาโหดตุอย่ามีเวงกรรมกันขั้นตอนก็ต้องมาศึกษาว่าความเมตตานี้ทําอย่างไรถึงจะมีความเมตตานะที่ให้ส่วนนี้ไม่ได้เป็นการแผ่เมตตาเป็นการเรียนว่าเมตตาคืออะไร เวลาเราสวดเวลาเราสวดบทสเพสัตาเอเวลาหหนตุเัายังไม่ได้แผ่ให้ใครเราเพียงแต่มาเรียนรู้ว่าการแผ่เมตตานี้ทําอย่างไรเอาเวลาก็ไม่ให้จองเวรจองกรรมอบปยปัจ ช, ชาก็ไม่ให้เบียดเบียนกันสุขีอานิคาโหนตุก็อยากอยากให้เขามีความสุขทางกายและทางใจเอออ อ น, นิคาโนตุแต่ว่าอะไรเนี่ยจำไม่ไดนะ้สุขีอาตาณังปาลิหารันตุนี่อยากให้เขามีความสุขอ น, นิคาโนตุอยากให้เขาไม่มีความทุกข์ทางกายและทางใจ น, นี่คือความเมตตาที่เราจะต้องมีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายดัน้นเวลาที่เราจะแผ่เมตตานี้ต้องแผ่ตนอนที่เราไปเจอกัน อย่างตอนเนี้โยมมาเจอกรรนั่นเนะี่ยโยมก็แผ่เมตตาเนะนี่ยเอาข้าวของมาถวายนี่เรียกว่าแผ่เมตตาเพราะว่ามีความปรารถนาดีอยากจะให้พระสงองค์เจ้าท่านไม่ทุกข์กายไม่ทุกข์ใจเพราะถ้าขาดปัจจัยสี่มันก็จะทําให้ทุกข์กายทุกข์ใจได้ก็เลยนําเอาข้าวของต่างๆมาถวายพระนี่ก็เป็นการแผ่เมตตา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 พอรักษาสิงตะปได้ก็จะภาวนาได้มาอยู่วัดไปนั่งสมาธิสวดมนต์ไหว้พระฟังเทศฟังธรรมเพื่อให้เกิดความสงบเกิดความฉลาดให้รู้ว่าความสุขของเราเกิดจากอะไรความทุกข์ของเราเกิดจากอะไระเราจะได้ตัดเหตุที่ทำให้เราทุกข์แล้วเรจเริญเหตุที่ทำให้เราสุข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 บางท่านก็สอนระดับทานไปที่รายร้ายทำบุญอย่างเดียวบางท่านก็สอนให้รักษาศีลบางท่านท่านก็สอนให้ภาวนาทำใจให้สงบบางท่านบางท่านก็สอนให้ตรงอันนี้จังทุกขังอนัตตาอันนี้ ป, นปัญญาให้พิจารณาว่าเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องปล่อยวางร่างกาย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 เชื่อเชื่อแล้วมันเชื่อแล้วมันก็ต้องยอมตายสิอนี้มันไม่ตกนรกเนี่ยเพราะว่ามันยังทำบุญได้เยอะอะไอ้ที่ไม่ยอมตายนี่แหละมันถึงจะตกนรกไม่ใช่อะไรหรอกถ้ายอมตายแล้วมันไปนิพพานเลยมันมันไม่ต้องมาตกนรกไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดเออนิพพานอยู่ภากตายเข้าอย่างไหมอ่ก่อนที่จะไปนิพพานนี่ต้องยอมตายถึงจะไปนิพพานได้ ครูบาอาจารย์เนี่ยท่านไปยอมตายกันในป่าทิ้งเอาร่างกายไปทิ้งไว้ในป่ากันทุกองพระพุทธเจ้าพระสาวกทั้งหลายท่านไปเอาร่างกายไปทิ้งในป่ า, า, า, า, า, าไปฝังไว้ในป่าแล้วท่านถึงไปนิพพานกันได้แต่ <Yeah. S 1> อย่างอยูอยกอย่ก็เนี่ยแหละก็ยังต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่เนี่ยเพราะพอตายแล้ว <c oughs> ก็อยากจะกลับมาเกิดใหม่ออย่างนั่นเหละ เดี๋ยวกลับมาทําบุญใหม่ได้ไงเดี๋ยวตายไปแล้วบุญยังไม่พอก็กลับมาทําใหม่ก็กลับมาเกิดใหม่มันถึงกลับมาเกิดอยู่เรื่อยก็ยังอยากจะทําบุญอยู่โดยที่ไม่รู้ว่าบุญบบบุุุญญญที่ทํานี่ก็เพื่อมาให้มาปองนี่เองทําบุญเพื่อให้เรามีกําลังมาปองว่าจะทําบุญเพื่ออะไรทาบุญเพื่อมาเกิดนะไง เลยถูกทไปตอนนี้ปุ๊บเนี่ย ก, ก, ก็โป่งนี่แหละบุญมากกับป่าไปกอ่อนใจไหมอยากได้บุญเยอะๆไงปัญญา น, <ด><ด>นี่ไงนี่แหละต้องปงนี่แหละก็คือปล่อยตามเรื่องก็งอยู่ใจใช่เหมือนฝนฟ้าอฝนฟ้ า, ฟ า, ฟ า, ากาศเราไปห้ามมันได้เปล่าฝนตกแดนออกแล้วเห็นเดือดร้อนกับมันนะเพราะเราไม่ไปยุ่งกับมันใช่ยไหมทางร่างกายนี่ถ้าไปยุ่งกับมันทำไมมันก็เหมือนฝนฟ้าอากาศ มันจะเจ็บขึ้นมาไปห้ามมันได้บ้างใช่ไมกินของอาหารสแลงก็ไปเดี๋ยวก็ปวดท้องขึ้นมาปวดท้องอยี่าทำไงก็ต้องอยู่กับมันไปจนกว่ามันจะหายจะอยู่แบบไหนอยู่แบบทุกข์หรืออยู่แบบไม่ทุกข์อยู่ไม่ทุกข์ก็ดูอาการไปรักษาได้มียากินก็กินไปไม่หายก็อยู่กับมันไปจนกว่ามันจะหาย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 กิเลสมันสู้สมาธิไม่ได้เวลานั่งสมาธิจิตสงบนี่กิเลสมันหยุดทํางานตัวที่หยุดหยุดกิเลกก็คือสมาธิรู้สติตัวที่ฆ่ากิเลกก็คือปัญญามันต้องมีทั้งสองอันมีทั้งตัวฆ่ากับตัวที่หยุดมันตอต้องต้องหยุดมันก่อนจะจะฆ่าวัวฆ่าควายเนื่องต้องจับมาม่าจับเสาก่อน จับมันมันให้มันเน่งแล้วก็ฆ่ามันได้ถ้ามันยังวิ่งอย่างนี้ไปไล่ฆ่ามันยังไงใช่ไหมมันไม่ยอมหนอกใจก็เหมือนกันถ้ายังไม่สงบให้มันตรงไม่ยอมตโป่ะให้มันยอมแก่ยอมเจ็บยอมตายนี่มันไม่ยอมแต่ถ้ามันสงบแล้วมันจะยอมเพราะมันเห็นว่ายอมมันสบายกว่าไม่ยอมเนี่ยเครียดทุกเนี่ย เหมือนคนที่ทำผิดกฎหมายแล้วพยายามหนีตำรวจอยหนีไปทำไมยอมดีกว่าให้เขาจับไปสบายไม่เครียดจับไปมีคนเลี้ยงดูเสียด้วยซ้าไปมีที่อยู่ฟรีบ้านฟรีอาหารฟรีมีรอปรพอักดูแลรักษาตลอดยี่บสี่ชั่วโมงไปหนีให้เหนื่อยทำไมไป ห, หลบอยู่ในป่าในอะไรอดอดอยากอยากทำไมยอมยอมให้เขาจับไปขังคุกไม่ดีกว่าข้าวสามมือใช่ไม ข้าวฟีน้ำไฟฟรีค่าเช่าไม่มีแล้วยังมีรอปภ ร, รักดูแลยี่บสี่ชั่วโมงปลอดภัยอยู่ในคุกนี่ไม่มีใครไปตามฆ่าไดนะ้ถ้าอยู่ในป่านี่ในเขานี่ถ้ามีสัตว์รตูเขายังมาตามฆ่าเราได้เนหะ็นยอมนั่นดีกว่ายอมแล้วมันจะหยุดหยุดหยุดหยุดดิ้นหยุดหนีหยุดต่อสู้ พอหยุดแล้วมันก็จะเย็นอะไรอย่างนี้นจำไว้นะสูตรสามยอเนี่ยยอมหยุดแล้วก็เย็นยอมแก่ยอมยอมเจ็บยอมตายแล้วก็จะได้หยุดต่อสู้หยุดต่อต้านตอนนี้เราต่อต้านเมื่กิดความแก่เนี่ยเห็นไหมผดนี่ต้องยอ ม, มนะมพอมันขาวขึ้นมานี่ต้องยอมมนะันนะหนังเหี่ยวนี่ต้องไปหาอะไรมาอ่ากินให้มันตึงแล้วถ้ามีสิวมีฝ้ามีอะไรหน่อย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 อยู่ต่อสู้อยู่ต่อต้านพออยู่ต่อสู้นะั้นมันก็เย็นสบายถ้าต่อสู้ก็เครียดต้องไปหายายอมผมมาย่อมมาหาหมอคนไหนเก่งในเรื่องสัญยกรรมตกแต่งถ้าเจ็บไข้ก็ต้องไปหาหมอที่เก่งที่อะไรต่างๆ อางนั้นตรงถ้าเะนี่คือปัญญาเนี่ยอยากจะได้บุญสูงสู ง, สงก็เนี่ยแหละถึงบอกว่ามันคนที่บอกว่าอยากจะเอาปัญญาเนี่ยมันมันพูดง่ายแต่ทาทําไม่ได้หรอกโอ้ยถ้าถ้าปัญญามันบุญเยอะงั้นก็ไม่ต้องทําทานดีกว่าเสียดายเงินไม่ต้องรักษาศีลไม่ต้องนั่งสมาธิใช้ปัญญาอย่างเดียวปัญญาจริงๆก็นี่แหละปัญญาที่จะมาใช้กับ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 เพราะรู้ว่ามันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดาเวลาสูญเสียสิ่งที่เราลักคนที่เราลักรู้สึกเฉยเฉยแต่แล้วคนมีปัญญาเขาจะรู้ว่าเป็นเรื่องธรรมดาเกิดมาแล้วย่อมมีการพัดพลาดจากการเป็นธรรมดาลวงพ้นจากการพัดพลาดจากการไปไม่ได้นี่แหละปัญญาไม่ต้องไปเรียนอภิธรรมร้อยคมภีหรอกไม่ต้องไปท่องชื่อ ธรรมะร้อยชนิดร้อยอย่างท่องให้ไเสียเวลาเปล่าะมาท่องแค่สามตัวเนี่ยแก่เด็บตายพัดพากจากกันแล้วก็ทําใจให้ได้ท่านเองก็ได้ปัญญาแล้วเพราะว่าจะไม่ทุกข์ก็มนเนี่ยคนที่ท่องพระไตรปิฎกได้ทั้งเรื่องพอเจอความตายก็ก็ทุกข์แล้วเจอความเจ็บก็ทุกข์แล้วเพราะไม่รู้ว่าปัญญาคืออะไรน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 กลับไปที่เดิมน้ํามันก็กลับไปหาน้ําลมก็ไปหาลมไฟก็ไปหาไฟดินก็เหลือแต่ดินใช่ไหมกระดูกก็เป็นดินเผาไปก็เป็นขี้เถ้าไม่ใช่ตัวเราห้ามเขาไม่ได้ห้ามไมเขาไม่กลับคืนสู่สภาพเดิมเขาไม่ได้เวลาเอามาให้เอามาเราเอามาได้แต่เวลาเขาจะไปเราห้ามเขาไม่ได้ เวลาเราดื่มน้ำแล้วก็เอาเขาเข้ามาละเวลาหายใจนี่ก็เอาลมเข้ามาละเวลากินอาหารมันก็เอาดินเข้ามาละกินข้าวข้าวมาจากไหนข้าวก็ดินดินนี่เองอ่ะใช่ไหมแล้วก็มาเป็นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเนี่เป็นน้ำต่างๆน้ำเลือดน้ำเหลือง น, น้ำดีน้ำอะไรต่างๆมันก็น้ำเป็นอาการสามจุดสองเป็นร่างกายขึ้นมา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 ความจริงเราไม่ได้ตายมันตายไปเราก็ยังอยู่จะอยู่แบบไหนอยู่แบบพระพุทธเจ้าก็ไม่ต้องมาเกิดใหม่แต่อยู่แบบพวกเราก็กลับมาเกิดใหม่พอยังมีกิเลสมีความอยากมีความโลภอยู่ก็กลับมาเกิดใหม่เกิดใหม่ก็มาทุกข์ใหม่เกิดแล้วก็ต้องมาดิ้นนอนเลี้ยงปากเลี้ยงท้องแล้วก็ต้องมาทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายทุกข์กับการพลาดพา ด, พาดจากกัน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 ร่างกายนี้ตายไปก็ต้องไปหาร่างกายใหม่มาทดแทนเพราะความอยากมีความสุขทางตาหูจมูกมืนกายก็ยังมีอยู่ยังไม่หมดนี่คือเรื่องของอธรรมะเรื่องของอสิ่งที่เราจะได้รับจากการที่เราไปทําบุญกับผู้ที่มีธรรมะก็ถึงบอกว่าทําบุญกับผู้ที่มีธรรมะมา ก, มากจะได้บุญมาก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 อยากจะทำบุญกับโรงพยาบาลก็ไปทำกับโรงพยาบาลทำกับโรงเรียนก็ไปทำกับโรงเรียนทำกับวัดก็ไปทำกับวัดแต่ถ้าอยากจะได้ธรรมะก็ต้องไปทากับคนที่มีธรรมะคนที่มีธรรมะมากที่สุดก็คือพระอาหารหันต์ัสมาสามพุทธเจ้าลองลงมาก็พะระปเจกับพุทธเจ้าลองลงมาก็พระอาหาระหันตัสาวก ลองมองมาก็พระอนาคามีพระสกิดาคามีพระสโสดาบันเนี่ยพระอริยบุคคลสี่ประเภทที่เราสวดว่าสุปฏิปันโนเนี่ยก็คือเนี่ยพระอริยสี่ประเภทพระอริยะบุคลาเอสะภควตโตสาวกัส้ังโกนี่คือสาวกของพระพุทธเจ้าก็คือ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 ที่ไหนก็ได้ที่เกิดประโยชน์ทำให้ผู้อื่นต้องมีความสุขก็เรียกว่าเป็นการทำบุญแล้วแต่ถ้าเราต้องการธรรมะเราก็ต้องไป่าไปทำกับบุคคลที่มีธรรมะเชีนพอเข้าใจแล้วยังถามว่ามาแนวทางปฏิบัติครัมปฏิจัดาให เรนั่งสมาธิที่นั่งรงแล้วให้เข้าไปรวมจิตนะอรับปรองให้อยู่นานๆจะได้พักอออันนี้บางทีเขรวมไปได้แล้วมันก็สะทักก็อาจจะมีความคิดขึ้นมาขัดใจหรือว่าเป็นเวทนาขึ้นมาก็หยุดแต่บางทีแล้วก็มองเพ่งว่ามันไม่เที่ยงแล้วก็แล้วก็ปล่อยมันไปเคยเคยต้องหยุดมันเนะ่ย ถ้าให้มันกลับมานิ่งใหม่ครับมันเหมือนเหมือนปลาที่เราจับไว้มันเริ่มดิ้นเราก็ต้องมัดให้มันแน่นขึ้นมันจะได้ไม่ดิ้นถ้าจิตไม่ใช้วิธีมองว่าเป็นท่านจังของนึกมาก็ปล่อยไปแล้วมันอยู่แล้วนึกนิ่ถ้ามันนิ่งก็ทักเวทนาเข้ามาเมาปล่อยเออมันก็มาแล้วเดี๋ยวมันก็ไปจะไม่ไม่อยากให้มันอยู่ ถูกไม่ถูกก็อยู่ที่นั่งต่อไปได้ไหรือเปล่าถ้านั่งต่อไปได้มันนิ่งมันสงบก็ก็ถูกถ้าไม่น<ๆ>ิ่งไม่สงบก็ไม่ถูกถ้าต้องการให้มันนิ่งเป็นนานนานนิ่งเป็นชั่วโมงไปเพราะว่าบางทีกําลังของสติเราหมดเราก็ต้องเติมเพราะการนั่งสมาธินี่มังในการเหมือนชักกระยออระหว่างกิลเลส ก, กบ สติของเราสติเราจะดึงมันเข้าข้างในกิเลสมันจะดึงใจออกข้างนอกเั้นใครมีกําลังมากกว่ามันก็จะชนะถ้าสติมีกําลังมากกว่ามันก็จะดึงใจให้เข้าไปสู่ความสงบถ้ากิเลสมันมีกําลังมากกว่ามันก็จะดึงออกมาหารูปเสียงเกิดรดนั้นมันขึ้นไปการดึงกันไปดึงกันมาช่วงที่สงบก็แสดงว่าสติมีกําลังมากกว่าพอ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 ยาที่เรากินไว้สำหรับรักษาโาครคภัยไข้เจ็บพอโรคหายแล้วเราก็หยุดกินยาได้สมาธิปัญญานี้ก็เป็นเหมือนอยารักษาโรคใจรักษาความเครียดรักษาความทุกข์รักษาความวุ่นวายใจพอละใจไม่มีความเครียดไม่มีความวุ่นวายใจใจสบายตลอดเวลาก็ไม่ต้องใช้สมาธิไม่ต้องใช้ปัญญา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 ก็เพราะว่ายังไม่ใช่เป็นปัญญาที่ ด, ดับความทุกข์ได้ถ้าเป็นปัญญาที่ดับความทุกข์ได้มันก็จะไม่ทุกข์หรอกจะเป็นปัญญาที่ ด, ดับความทุกข์ได้ก็ต้องเฉยเป็นใช้ใจต้องเฉยเป็นก่อนจะเฉยได้ก็ต้องมีสมาธิถึงจะเฉยได้ถ้าใจจะเฉยเป็นพอเจอความทุกข์พอพอใจจะทุกข์ใจก็นึงกลับเข้าไปให้มันเฉยเสีย เพราะว่าถ้าไม่ไม่ไม่ยอมรับความจริงก็ทุกไม่ยอมรับความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ยอมรับความตายก็จะทุกแต่ถ้ายอมรับมันก็จะไม่ทุกนั้นปัญญาอันแรกที่ได้ยินได้ฟังนี้อปัญญาที่เราไข้ควรนี้เป็นเหมือนกับความรู้ที่เราได้ขั้นต้นได้จากห้องเรียนเราไปเรียนจากครูจากอาจารย์ในห้องเรียน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 เวลาเราเจอสิ่งเหล่านี้เราสอบตกหรือสอบไม่ตกก็ดูที่ว่าทุกข์หรือไม่ทุกข์ถ้ายังทุกข์อยู่ก็แสดงว่ายังสอบตกยังสอบไม่ผ่านถ้าไม่ทุกข์ก็แสดงว่าผ่านเวลาเงินหายไปก็ไม่ทุกข์ฉเฉยๆคิดว่าเป็นการพัดพาคจากกันเป็นธรรมดามีการพัดภาคจากกันเป็นธรรมดาการทิ้งเราก็ไม่ไม่เสียใจเป็นการพัดภาคจากกันเป็นธรรมดา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 ความจริงเป็นยังไงความแก่ความเจ็บความตายนี่คือความจริงข้อที่สองให้เราไปคิดอยู่เรื่อยเพื่อไม่ให้เราลืมทําการบ้านอยู่เรื่อยแล้วข้อที่สี่ข้อที่สามพอไปเจอความแก่ความเจ็บความตายก็จะรู้ว่าเป็นธรรมดาไม่ใช่เป็นเรื่องน่าตื่นเต้นน่าตกใจถ้าเห็นว่าเป็นธรรมดาแล้วเฉยได้ก็ก็ก็ผ่านนีก็สอบผ่านอย่างนั้นก็เรียกว่าเป็นปัญญา ปัญญาที่เราต้องการคือตัวเนี้ยตัวที่สามนี่ยตัวนี้ทําให้เราไม่ทุกข์กับเหตุการณ์ต่างๆเการที่เราจะรู้ไม่รู้ว่าเราผ่านหรือไม่ผ่านแล้วก็ต้องก็ต้องไปทดสอบดูเะ่นนั่งให้มันเจ็บดูแล้วดูเสียบปล่อยให้มันเจ็บได้ไหมไม่ต้องไปลุกไม่ต้องไปขยับมันถ้าปล่อยได้มันก็จะ มันก็จะไม่เดือดร้อนกับความเจ็บของร่างกายต่อไปร่างกายจะเป็นโครคภัยไข้เจ็บร้ายแรงขนาดไหนมันก็เฉยเฉยหรถ้าอยากจะรู้ว่ายังลักตัวกลัวตายอยู่หรือเปล่ปาก็ไปหาเหตุการณ์ที่มันท้าเป็นท้าตายยูไปที่ไหนที่เราหน้ากลัวที่เรากลัวอไปที่นั่นดูดูว่ายังกลัวอยู่หรือเปล่าถ้ายังกลัวก็ยังแสดงว่ายังไม่ยอมตาย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 ถ้ามันเกิดนึกก็ดีนะครับบางทีมันสติแตกมันเผลอมันลืมไปมันก็อุกส่าห์เรียนมาถ้าเป็นแทบตายพอถึงเวลาจำไม่ได้เลยคือผมเป็นคนไม่ค่ยชอบอ่านนังสืออ่าอันนี้ก็บชอบฝังเลยแล้วก็พอปฏิบัติแล้วก็ไม่เข้าใจเ ร, เรืว่าปัญ ญ, ญานี่มีประโยชน์อะไรก็ฟังแล้วก็คิดยามายอมรับความจริงจริงถ้าสี่พัอของใจของกายเสร็จแล้ว มันมีถึงจุดหนึ่งภาวะที่ที่ถูกหุ่นแตกแล้วมันไม่สามารถลับตรงนั้นได้ลูกกด ล, ลงมันเกิดขึ้นมาท่วมท้นมาสุดแล้วสุดท้ายแล้วอยู่ดีๆจิตมันก็รวมขึ้นมาแล้วมันก็ปัญญามันก็เกิดขึ้นแล้วปัญญามันก็บอกว่าอันนี้คืออะไรแล้วมันก็ขาดกคาตาเนี่อยอมันก็เบาแล้วก็แไม่มีอะไรเกิดขึ้นใจที่ใจที่หนักมาตลอดเนี่ยเอ อันนี้คือปัญญาที่เราอบรมบุญมาทั้งหมดแลย่ที่ได้อบรมบุญข อ, อการบ้านนะครับว่าควรจะทํำยังไงกอนก็ยังไม่รู้ว่าที่ที่มัน ท, ทําได้ น, นี่มันเป็นเป็นการทำการบ้านหรือเป็นการทำข้อสอบ ม, มีตั้งทำการบ้านตั้งทำข้อสอบใช่ไหมมันอาจจะเป็นเพลงการบ้านก็ได้ตอนนี้เพลงแต่เป็นเรื่องของความคิดว่าเออเราไม่กลัวแล้วอ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 ถ้าหมอกไม่กลัวก็ต้องไปพิสูจน์เองครับเพื่อจะได้มั่นใจเพราะบางทีเราก็หลอกตัวเราเองได้แต่ถ้าเรามั่นใจไม่ต้องพิสูจน์ก็ได้อย่างบางครงฟังเทศจากผู้ท้าเจ้าปั๊บเขาก็บอกเขาเขาหลุดพ้นแล้วเขาไม่ทุกข์แล้วป้าญาณกณทัญญะพอฟังธรรมก็ไม่ทุกข์กับร่างกายแล้วร่างกายมีเกิดเป็นธรรมดาก็ต้องมีดับไปเป็นธรรมดา อย่างนั้นก็ได้แล้วแต่อันนี้ไม่มีใครที่จะมาให้คะแนนเราได้ว่าสอบผ่านหรือไม่สอบผ่านเราต้องเป็นคนให้คะแนนเราเองน้นทิติโกก็อยายนะ อ, อ่ะอาก็เป็นพ่อของเพื่อนของหมอหลายหลาสาวที่ ส, สวยๆที่เคยพามาถามอาจารย์เขาถามเรย์โยงติดตไม่ได้ดยแค่อกว่าอ่านนั้นนี่ได้คําตอบไหมยังนะ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 พิจารณาแล้วแต่การพิจารณาอยู่เรื่อยๆไ ม, ไม่ไม่หยุดไม่หย่อนอย่างต่อเนื่องนี่ก็เป็นการทําสมาธิไปในตัวได้เหมือนกัน mm hmm. คือแทนที่เราจะไปคิดเรื่องราวต่างๆให้ใจพุ่งสร้างให้เกิดกิเลสเราคิดว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายคิดอยู่อย่างนี้ซ้ำซ้ำซากซากอยู่อย่างนี้มันก็เป็นการทําสมาธิไปในตัวด้วยแล้วมันก็จะทําให้มีกําลังที่จะปล่อยเวลาเจอความแก่ความเจ็บความตายขึ้นมา มีใครที่อยากจะเข้ามาก็เข้ามาได้นะ ท, ที่ที่มาทีหลังนี้มีธุระอะไรก็ถ้าอยากจะเข้ามาก็เข้ามาได้หรืออยากจะนั่งฟังต่อก็ฟังได้อนนี้ก็เป็นแบบหลวมๆสบายๆไม่มีรูปแบบตายตัวใครมาที่หลังใครอยากจะเอาเข้าของมาประเคนตอนนี้ก็เข้ามาได้เดี๋ยวจะได้ให้พรได้ ใช้ปัญญาปัญญาดำการพิจารณาทำต่างๆถ้าเราสามารถใช้ปัญญาพิจารณาทำข้อหดข้อหนึ่งแล้วเช่นอสุภะและพิจารณาได้ต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องเป็นระยะเวลายาวเราสามารถทําแบบนี้ได้ไหมครก็เป็นการทําการบ้ า, านไงพอเวลาเกิดการมาลมก็ดึงมาดึงอสุภะมาดับมันได้หรือเปล่า ถ้าไม่มีอสุภะก็จะดับมันไม่ได้ถ้ามีอสุภะเตรียมไว้พอเกิดการมารมเราก็ดึงมามันก็ดับมันได้ mm hmm. ก็จะรู้ก็ต้องรู้ตอนที่มีเกิดการมารมขึ้นมาว่าเราดับการมารมได้ไหรือเปล่า mm hmm. ถ้ายังดับไม่ได้ก็แสดงว่าสุภะยังมีกําลังไม่พอ mm hmm. ก็ต้องทําให้มากขึ้นพิจารณาให้บ่อยขึ้นอรักมาได้ ใครต้องการหนังสือซีดีก็เชิญหยิบได้นะหยิบเอาเอง ช้นงวางไว้เวฉยๆวางไว้ ซื้อีดีก็หยิบได้นะสองใบมาตรงนี้อะได้ไดอเอาวางไว้ อรอแนละ้พนเดี๋ยวจะให้พอนะีมาจากที่ไหนกันนูเก็แต่เคยมามปะ่ะแม่หหน้ า, าป่วย อ, อยู่โรงพยาบาล่เอ่าีคุณแม่อายุมากก็เลย6ุ๊้าตัดกระโกแล้วก็มาเห็นง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 เจ้าของร่างกายไม่ได้ไปกับร่างกายใจไม่ได้ไปกับร่างกายใจก็ไปเปลี่ยนร่างกายอ ใ, ใหม่ไปเกิดใหม่ทําบุญเยอะๆจะได้ร่างกายอใหม่ที่ดีหลวงพ่อพการอิทส่วนบุญสูงศ์นห้คนเป็นได้ไหมคะไม่ได้ครับต้องทำกันเองนะเพราะว่าทําเองจะได้มากกว่าการที่นี่ได้ร้อยละหนึ่งเท่านั้นเอง เราทำบุญร้อยบาทแล้วอุทิศไปนี่อุทิศได้ร้อยได้บาทเดียวแต่ถ้าเราทําเองนี่เราทํำตายขณะที่ไม่ชีวิตอยู่เราได้ร้อยทั้งร้อยยันคนเป็นก็ถึงไม่ต้องไ ม, ไม่ไม่อุทิศกันไงการคนเป็นทำเงินทำเงินเองที่ต้องให้อุทิศคนตายเพราะเขาทําไม่ได้นะเราอยู่ในที่ก็ทําไม่ได้เลยต้องส่งบุญไปให้เขาบุญที่ส่งไปก็ส่งได้ไม่มากได้ร้อยละหนึ่งก็พอให้เขา บรรเทาความเดือดร้อนได้แต่ไม่ทำให้เขาล่ำรวยถ้าอยากจะร่ำรวยต้องทำตอนที่มีชีวิตอยู่เวลาตายไปจะเป็นเศรษฐีบุญจะไปเกิดเป็นเทวดาพวกที่มาเรา ร, รับส่วนบุญนี่เป็นพวกขอทานทเรียกว่าเปรตพอเวลามีชีวิตอยู่ไม่ทำบุญกันพอนถึงเวลาไปก็เลยไม่มีบุญติดตัวไป พวกที่มีชีวิตอยู่ทำบุญก็จะมีบุญติดตัวไปก็จะไปเป็นเศรษฐีบุญกันก็จะไปอยู่สวรรค์กันพวกที่ไม่ทำบุญทำบาปตายไปก็เลยต้องไปเป็นขอทานดั น, นทำตอนที่มีชีวิตอยู่นะแต่คนที่ตายไปแล้วล้วก็แบ่งให้เขาได้พอบันเทาเหมือนกับให้เงินขอทานดีกว่าไม่ให้ดังเดี๋ยวตั้งจิตตั้งใจอุทิศนะ ยะถาวะริวหาปุราปภิกปุเรนติสาคหลังเอวเมวะอิโตทินังเปตาังอุปการปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจโตสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะหะบะโสยะถามณิโจติ กบะโสยทสัสพีติโยวิวาชนตุสั พ, พรโรโควินสัสตุมาเตภวตวันตรารโยสุขีทีขายยโกภวะอภิวาทนศีลิตสะนิจังุทธาปจายนจโนจตารธรรมาวะทานติอายุวันุสุขัง พลามีอะไรอยากจะทํามไหมบุญนี้ต้องเป็นทำบุญนี้ต้องเป็นเงินของเราเองแล้วต้องเป็นความคิดของเราเอง ยันตอนนี้คนที่ก็อยู่โรงพยาบาลเราจะมาทําให้เขาเขาก็ไม่ได้บุญอยู่ดีเป็นบุญของเรานอกจากเขาสั่งมาบอกให้ช่วยเอาเงินของเรามาทําบุญให้หน่อยนะถ้าอย่างเงี้ยเขาก็จะได้บุญลองไปถามเขาอยากทําบุญไหมพี่อยากทําบุญพี่พูดไม่ได้เขียน <laughs> เขียนหนังสือ <laughs> <laughs> เขียนหนังสือถามว่าถ้ายกนิ้วหนึ่งก็แสดงว่าเอาสองนิ้วก็ไม่จะได้เอาเงินของพี่ไปทําให้อเ เขาต้องเป็นคนสั่งเขาต้องมีเจตนาเราต้องเป็นเงินของเขาเป็นของของเขาเขาถึงจะได้บุญอย่างสมมติตอนนี้เรามาทำให้เขาเนี่เขาไม่ได้หรอกคนที่ได้ก็คือเราเนี่ยแหละแต่ก็เป็นความปรารถนาดีของเราแต่เรื่องของบุญมันเป็นอย่างนี้ใครกินก็ใครก็ได้ใครไม่กินก็ไม่ได้อย่าโยมมาทาบุญถ้ากคโยมมากินอาหารแต่ไม่จะกินให้คนอื่นก็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 ก็อยากไปอยากให้หายหายก็ดีไม่หายก็ดีอะเข้ามาถ้าอยากจะไปก็ไปได้นะถ้าไม่มีอะไรแล้วก็ไปได้ไม่เป็นไรวางไว้เลยวางไว้ วางให้เขาได้เอมอมันเรื่องของเขาแล้วล่เราไปทําอะไรไม่ได้เลยบอกขาทุกมาอ่าใช่ยิงไปห้ามยิงยุ่ใหญ่กนะ็ให้เขาปะเหนียวเขาหมดแรงเขาก็เขาก็อยู่เองอะ <laughs> ทุกอย่างมันมีวันจบอ่ะ ปล่อยเขาระบายเต็มที่แล้วเดี๋ยวพอเขารู้ว่าไม่ได้ผลไม่ได้ประโยชน์อะไรเขาเห็นโทษของมันเขาก็หยุดเองก็ช่วยไม่ได้ไม่เห็นโทษก็เรื่องของเขาก็ อ, อยากจะเอาค้อนมาทุบหัวเขาก็เรื่องของเขาใช่ไหมความโกรธนี้ก็เหมือนเอาค้อนมาทุบหัวเราใครมาทําให้เราโกรธเราโกรธของเราเองใช่ไหมเดี๋ยวเขาเห็นโทษว่าเเรากําลังทุบหัวเ ร, เราเขาก็หยุดทุบเองอ่ะ เราก็ทุกไปกับเขาเพราะอยากให้เขา เ, เราก็ต้องมาแก้ทุกของเราแล้วก็อย่าไปอยากกใจออก็อออทําได้ก็ทําทําไม่ได้ก็ต้องฟ้องอ่าใช่คนละเรื่องคนละคนกันเอเห็นเขาทุกเราแล้วมาทุกแทนเขาอีกอีกตอ่อก็เลยไม่เกิดประโยชน์อะไร ถ้ามีซองเปล่าอยู่ทั้งในกล่องในกล่องสีเหลืองเนี่ยอะไงพวกนั้นมาแล้วเหมจะมาคุยไหมแล้วไม่คุยมีอะไรจะคุยหรือเปล่าเขาแนา่เดินทางกลับอ่าที่อาจารย์พูดถึงปัญญาขั้นที่สามใช่ไหมคือว่าเราควรจะ นั่งสมาธิเพื่อแบบไม่ข ย, ยับเพือ่ อ, อให้เรียนรู้เวทนาครับเราจําเป็นที่จะต้องนั่งสามชั่วโมงห้าชั่วโมงเจ็ดชั่วโมงเพื่อเรียนรู้ให้กดปัญญาแบงนี้นะครับหรือมุขประโยชน์ยัง ไ, ไงก็มันไม่ได้อยู่ที่ชั่วโมงมันอยู่ที่ว่าใจเราปล่อยมันได้หรือเปล่า<ช>นั่นที่จะปล่อยเราก็ต้องเห็นว่ามันเป็นเหมือนดินเต้นฟ้าอากาศ<ช>เราจะไปจัดการไม่ได้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 ัเช่นพายุจะมามันจะทําอะไรได้มันมาแค่มันมาเร า, าก็หาที่หลบไปที่หลบของใจก็คืออุเบกขาก็ทําใจเฉยๆไปถ้าเราทําใจเฉยได้มันก็จบที่มันไม่จบก็เพราะมันไม่เฉยพอเกิดความเจ็บขึ้นมาก็เริ่มงุดเริ่มยึกยักยึกยักขึ้นมาแล้วอยากจะให้มันหายแล้ ว, ลวเราก็ต้องอยากให้มันยึกยักให้มันเฉยให้อยู่กับมันให้ได้ ก็ยึแค่ตรงนั้นแหละถ้าเราเฉยอยู่กับมันได้แล้วมันจะอยู่กี่ชั่วโมงก็ได้ใช่ไหมทีนี้ถ้าช่วงที่เราฝึกปฏิบัติเนี่ยช่วงนั้นเราจะมีสมาธิที่ดีมีสติธรรมะดีแล้วก็ยังโอเคกับมันพอเราอยู่ที่ประจําวันเนี่ยมันคนละเรื่องเลยการขาดการควบคุมหรือว่าเราเออเปตอบแบบไม่มีสติเลยเนี้ยจะให้มันมาร้านเังไงกับก็ต้องพยายามรักษามันไปยังไงครับเราะว่า กันอยู่ในวัดอยู่ในสนามที่ปฏิบัตกับใช้ชีวิตโผผินคนน่ะถึงมานร้องเนี่ย <c oughs> ก็อยู่วัดต่อไปสิ <c oughs> ย้าทยทํำไงก็ <c oughs> ออกไปเข้าไปหากองไฟมันก็อย่างนั้นบลงไปสนามฟุตบอลจะไปเหมือนกันนั่งดูได้ไงต <c oughs> อนที่อยู่วัดก็มันนั่งดูมันะ <c oughs> แต่พอเราไปเตะมันก็เหมือนกับอยู่ในสนามฟุตบอลนะพอเราไปในสนามก็ต้องวิ่งกับเขาเลย ใช่ไหมถ้ามันอยากจะวิ่งกับเขาอยากจะเป็นคนดูก็นั่งดูไปสิ<ง>อ่าไปอยู่วัดไปมาซ้อมก่อนอ่ไม่ซ้อมอ่ะอยู่เป็นคนดูไปตลอดเลย <c oughs> มันดูมันสบายกว่าเล่นอ่ะ <c oughs> ใ <c oughs> อ่คนเล่นเหนื่อยไหมอ่ <c oughs> คนดูสบายเพียงแต่เชียวก์กพอละ <c oughs> นั่นการมาอยู่วัดนี่มาเพิ่งแคเราอยู่เฉยๆดูเฉยๆอ่า <c oughs> อย่าไปวุ่นวายกับเขา แต่ถ้าลงไปนี่ก็ถ้าออกไปนี่แสดงว่าเรายังลงไปลุยเขาต่ออยังอยากจะลุยเขาอยู่ตอนเวลาลุยมันจะมาสงบได้ไงใช่ไหมมันสงบไม่ได้หรอกแล้วทไงให้มันสามารถที่จะเอามา Apply ในชีวิตจริงได้แบบก็พยายามประคับประคองก็พอเข้าประคองปัญญาที่เราได้จากการปฏิบัตินี่ไปใช้ในเหตุการณ์อยู่ที่ว่าจะใช้ได้บ้างใช้ได้น้อย ก็พยายามใช้เมันปล่อยวางอยู่เลยเออย่งไรก็ได้นะทําเราก็ทําไปตามกําลังของเราได้มากได้น้อยก็โอเคอย่าเอาเป็นเอาตายกับมันอย่างนี้มันก็จะมันก็จะพอที่จะไม่วุ่นวายนาแต่ถ้าจะต้องเอาเอาเป็นเอาตายหมือนของฉันถูกของเธอผิดเนี่ยเดี๋ยวมันก็มันก็วุ่นวายขึ้นมาที่นี่คนแนะนําว่าให้รู้สึกบ่อยๆเบาๆก็ได้อะไรก็ได้ให้น้องให้ดูไก่ ก็คือให้เราอย่าไปอยู่กับความคิดอ่งให้เราอยู่กับความรู้ให้รู้เฉยๆให้ฝึกสติอยู่เรื่อยๆให้สักตะวารู้อย่าไปคิดนู่นคิดนี่ปรุงนั่นตรุงนี้่แต่มันมันพอมันไปเจอเหตุการณ์มันก็ปรุงละมันจะไม่รู้เฉยๆแล้วมันก็ต้องอาศัยการมาฝึกถ้าฝึกบ่อยๆฝึกมากๆมันก็จะเฉยได้มาก และเวลาออกไปมันก็จะเฉยได้อาจจะเฉยได้ถึงขีดหนึ่งพอหมดกำลังมันไม่เฉยแล้วก็ต้องกลับมาวันกลับมาเติมความเฉยใหม่กลับไปเข้าเข้าเข้ า, ขาออกไปเป็นกว่าเราจะเห็นปัญญาว่าอยู่เฉยเฉยดีกว่าบวช ด, ดีกว่าตอนนี้ยั ง, งโง่อยอ ย, ยังคิดว่าฉลาดอยู่ ยังคิดว่าทางโลกดีกว่าทางธรรมอยู่เนี่ยยังปล่อยภาระไม่ได้ก็ต้องใช้ปัญญาว่าต่อไปก็ต้องจากกันภาระต่างๆที่เราไม่อยู่ไมช้าก็เดี๋วก็ต้องมีวันสิ้นสุดงั้ก็ให้มันสิ้นสุดแค่วันนี้ก็ได้ไม่ช ก็ลองปฏิบัติไปเอาห น, นังสือธรรมะไปอ่านกันนะเอ่าจะยหยิบได้นะหนังสือธรรมะซีดีก้อนไหนเสียแล้วมาจากเชียงใหม่แล้ยหรือจากบุรีรัม ย, ยู่บุรีรัมย์อ่าอ่าดีก็มาช่วยอ่า ก็นูนทานนะอ่ก็เรียกว่าเป็นการทำบุญแล้วอ่าทำบุญพราะเราไม่ได้เรียกค่าตอบแทนอะไรค่าตอบแทนทั้งหมดเราก็ถือว่าบริจากให้กับโครงการไปอก็ดีได้ทำไปใช้สติปัญญาที่ร่ำเรินมาถวายพ่อแม่ผู้าจารใจก็เือสิกรับอ่าเด้สาธุเนี่ยก็ บุญนี้ก็ขอให้ชีวิตม่ความนุ่มเย็นเป็นสุขมีความเจริญก้าวหน้านะในทุกสิ่งทุกอย่างในทุกเรื่องทุกประการนะอ่จริงๆก็รวมทีมเอเชียมาจิตคนทั้งหมดเลยรู้สิบอามใจดีสั่ดีกันด้วยอ่ดีต้องช่วยกันช่วยกันแล้วจะมีพลังคนเดียวทำ ท, ำ ท, ำทุกอย่างไม่ได้ต้องเพึ่งพาสายกัน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 เอาผลประโยชน์เป็นหลักก็แล้วกันอันไหนเป็นประโยชน์สูงที่ที่เป็นประโยชน์มากที่สุดก็เอาทางนั้นก็นแล้วกันอ่ะเจนถ้าต้องการหนังสือซีดีก็หยิบได้ประวัติหลวงปู่ขาวนะไปาเงินกี่คนนะเจ็ดแปดคนนะ ออได้คำอ๋อยไปดูมาแล้วเ แล้วโครงกายของบุรีไปถึงไหน่ะกา้เสร็จยังได้สนะามสิเร์ทัาสิบกวาเปรนะวันนี้ได้ไ ด, ได้จดมาให้ อ, อกบบสกายวอขึ้นคนระับอ่าหยิบได้นะหนังสือยังมีอีกยังอยู่ในห่อนะี่ยอยู่ในกองนั้นได้ไม่พอเดี๋ยวจิบเปิดเปิดเดี <c oughs> ๋ยวกมเปิดอ่า <c oughs> เปิด <c oughs> เปิดผ้าออกนี้ก็กลุมไว้อ นั่นแห่ะไปแล้วมาหยิบมาเดี๋ยวภาพถเดี๋ยวอะไรตอนนี้ยังมีการเคลื่อนไหวอยู่คุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องเดี๋ยวให้นั่งนั่งเฉยๆดีกว่า น่ nah. จะถามอะไรอีกนะใหม่ห่ะปฏิบัติอยู่เ<ด><ะ>รือ่อยค่ะอยู่ตลอดไม่ปหที่ทีคือเวลานั่งเ้อ่อคิดตลอดนะคะมันก็คิดเรื่อยๆคิดคิดวนๆพรู้ทีหนึ่งก็กลมาทน้รู้ทีหนึ่งก็กลมาทีนี้เราทำงี้แที่นัน่งไปเรื่อยแล้วก็พยายามอยู่เราต้องหยุดความคิดก่อนนนั่งต้องฝึกหยุดก่อนฝึกสติไปก่อนตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเลย พอตื่ขึ้นมาก็อย่าให้มันคิดให้อยู่กับพุโทโธไปถ้าจะอยู่กับกายานุสติก็ดูการกระทำของร่างกายกำลังทำอะไรก็ให้มันอยู่กับสิ่งที่เรากำลังทำอยู่กำลังล้างหน้าแปรงฟันหวีผ้าหวีผมก็ให้อยู่กับงานที่เราทำอย่าให้มันไปคิดเรื่องอื่นพอมันจะไปคิดก็ดึงกลับมาว่าตอนนี้กาลังแปรงฟันอยู่ให้อยู่กับการแปรงฟัน กำลังหวีผมเมื่อให้อยู่กับการหวีผมกำลังใส่เสื้อผ้ากำลังรับประทานอาหารกำลังเคี่ยวกำลังกลืนเนี่ยให้มันอยู่กับงานที่เราทำอยู่อย่าให้มันไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ดึงมันมาไว้เรื่อยๆมีอะไรผูกใจไว้หรือจะใช้พุโทโธผูกก็ได้ก็ให้อยู่กับพุโทโธไปตื่นขึ้นมากับพุโทโธพุโทโธพุโทโธไป เเดยรราไมไปคิืื่่อองงนนั้พุโทโธนี่คือเราสมมติว่าคือปัจจุบันนี้ตอนชาาเช้าก็ตื่นปุ๊บก็จะทํามาเชาตื่นแล้วก็นั่งสมาธิแต่พอนั่งสมาธิก็ฟังที่อาจารย์สอนว่าให้พุโทโธแต่เวลาตัวเองทําพุโทโธคือเข้าพุทออกโธเข้าพุทออกทุนนี่คไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ให้ไม่ไม่ได้พูดถึงเรื่องลมอะไรให้อยู่กับพุโทโธคําเดียวคือจะหายใจเข้าหรือออกไม่ต้องไปสนใจให้อยู่ออกับพุทโธไม่สวดมนี้เหมือนกับสวดมนี้ ท่องไปเรื่อยๆพุทโธพุทโธไป <Okay. S 1> ไม่ต้องไปรับรู้เรื่องลมลมไม่เกี่ยวตอนนี้เราไม่ได้ดูลมเราดูเราเกําลังทํางานอยู่เราจะไปดูลมทําไมเราก็ดูงานที่เราทําหรือถ้ามันทําแล้วมันยังไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ใช้พุทโธเดินกลับมาไม่ให้มันไปคิดให้มันกลับมาที่งานที่เราเกําลังทําอยู่ให้มันหยุดคิดพอเราพอานั่งปุ๊บเราก็พุทโธพุทโธพุทโธมันเหมือนทําบริกรรมอย่างนึ่งใช่ไหม ไปทำไอพอจิตมันคิดก็ต้องกลับมาพุทโภพอมันคิดแสดงว่าไม่ได้พุทโธแล้วแสดงว่าเราไม่ดีใจเราไม่ได้อยู่กับพุทโธรก็ต้องกลับมาพุทโธอเพราะพุทโธเจอก็กลับมาพุทโธไปเรื่อยนั่นแหละอแล้วไม่ต้องไปดูลมเอาพุทโธคําเดียวถ้าจะดูลมก็ไม่ต้องพุทโธดูลมอย่างเดียวดูลมไม่เว่อร์ก็พุทโธอย่างเดียวเอาพุทโธคําเดียวง่ายๆอย่าไปพุทเข้าโทออกมันยุ่งยากเพราะลมมันดูยากอยู่แล้ว ก็ยังต้องมีมาพุดธโถยเอืมันจะนั่งแล้วมันจะมามาวุ่นวายกับพุทธเข้าโทรออกนี่เอาพุทโทคําเดียวง่ายๆท่องพุทธโทรไปเรื่อยๆถ้าเบื่อพุทโทจะให้มันยาวหน่อยก็ได้พุทธทางสันนังกระฉามนี่ทำมังสันนังกระฉามนี่ไปอ่แต่บางทีมันแคบไปมันเหมือนอึดอัดแต่บางทีก็อยู่กับพุทโทรคาเดียวมันรู้สึกเบือัดก็สวดมนต์ไปก่อนกันน่ะสวดในขณะนั่งเนี่ยหลับตาแล้วสวดไปภายในใจ แทนที่จะปล่อยมันไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็สวดเอติปิโซหลังซ้ำมาไปพอรู้สึกเหนื่อยอยากจะหยุดก็พุโทโธพุโทโธไปหรือรู้นเฉยๆก็ได้ตอนนั้นอาจจะดูลมก็ได้พอจิตมันเริ่มสงบแล้วมันจะเริ่มดูลมได้ก็ดูลมไปคือเราพุโทโธแล้วเราคิดพุดโทโธแล้วคิดนี่แปลว่ามันเป็นเรื่องปกติของคนฝึก ใช่ใชมันไม่ได้ผิดว่าทำไมเรา <an> ไม่พุทโธใช่เหมือนเด็กที่ยังเดินไม่เป็นเนี่ยล้มลุกคลุกคานไปก่อนเนะีนะ่ยเด็กมันไม่ยัลุกขึ้นมาเดินได้ที่ไหนนะมันก็ก็ลุกขึ้นมาแล้วก็ล้มแล้วก็คลุกคานไปแล้วก็ลุกขึ้นมาใหม่ใชพุดโธได้สองคำมันก็ปัแล้วคิดถึงเร้่มันี้ก็พอรู้ตัวคิดก็กลับมาทีนี้มันจะรู้นานรู้ชา้าบางทีสิบนาทีไปแล้วถึงจะมารู้ว่ากูม่ได้อยู่กับพุทโธเลยเนี่ยหวะก็อย่างดีก็เดินกลับมาใหม่ ยังกลับมาใหม่แต่มันอย่ามาทาแต่เฉพาะเวลานั่งให้ทําตั้งวันเลยทําตั้งแต่ตื่นเลยที่จะทําอย่างนี้ได้มันต้องไม่มีงานอย่างอื่นมาทําถ้าไปทํางานเรื่องนู้นเรื่องนี้มันก็พูดโธไม่ได้มันก็ต้องคิดเรื่องงานเรื่องการไปนั่นคนที่ต้องการที่จ ะ, จะเจริญสติจเจริญสมาธิต้องต้องไม่ทํางานถ้ามีงานมันก็ทําไม่ได้ออากายจะไม่ทำงา ดังนั้อย่าไปหวังผลจากการปฏิบัติถ้ายัางยังยังทํางานอยู่ก็<ม>ยังถือว่าเป็นเหมือนมือสมัครเล่นนะแต่<ม>ไปแข่งเหรียญทองมันไม่ได้ไปชิงเหรียญทองไม่ได้หรอกพวกที่เขาชิงเหรียญทองนี่เขาเป็นมืออาชีพแล้วเขาไม่ทําอย่างอื่นเลยเข้าใจไหมใช่ไหมครับอย่างเวลาเราอยากกินอะไรเรารู้ตัวว่าเราอยา ก, ก<ม>รู้แบบรู้ก็ น, นั่งดูความอยากไปประมาณครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมง ไ ม, มันก็ไม่หายอยาเพราะไม่รู้จักวิธีแก้ความอยากง่ายจะตายไปแก้ความอยาก <c oughs> ไ, มไม่กิ น, นเลยไม่ไมคิดถึงเวลาสิ่งที่เราอยากกิน <c oughs> มันอยู่ในปากเรามันเป็นยังไงมันอยู่ในท้องเราเป็นไง <c oughs> เวลาเจนออกมาแล้วยังอยากจะกินเข้าไปห่ะ <c oughs> มันต้องกินแล้วขายออกมาถึงจะได้ถ้ากินเราก็รู้สึกไม่ต้องก็เวลาถ่ายออกมามันก็กาหารที่เรากินนั่นไม่ใช่ก็ดูหน้าตามันมั่งเสร็เวลาที่สไม่รู้ อ่ะเฉยๆจริงๆเหรอไม่แต่ให้ไปกินใหม่ไม่กินนะแต่หมว่ามองดูครัเอคะแต่ว่าแพ้ทุกทีแบบสองชั่วโมงก็ไม่ดูของจริงมันไม่ยอมดูอาหารเก่าชอบดูอาหารใหม่ชอบดูอาหารที่อยู่ในจานอาหารที่อยู่ในปากอยู่ในท้องอยู่ในช่วมไม่ไม่ยอมดูอเดูภาพอาหารเก่าซิอย่าไปดูอาหารใหม่เอถ้าเห็นภาพอาหารเก่าแล้วเดี๋ยวมันกินไม่ลงมันไม่อยากจะกิน แต่ก็ต้องระวังนะบางคนดูมาก่ากจนกรนทั่งถึงเวลากินกินไม่ลงจริงๆน่าจะไม่มีอารมณ์แ้วอันนี้วิธีแ ก, ก่เขาเรียกอาหารเลยปฏิกูลและสัญญาอาหารเลยแปลว่าอาหารปฏิกูลดูความเป็นปฏิกูลของอาหารสัญญาก็คือความจําให้จําให้ได้จําถึงภาพของอาหารที่ไม่น่ารับประทานนี อาหารที่อยู่ในปากที่ผสมกับน้ําลายที่กําลังเนี่ยวันรังกำลั ง, ลง ก, กินอาหารอร่อยอร่อยลองนึกถึงอยากจะดูหน้าตามันเป็นยังไงขอคายออกมาดูหน่อยคายเสร็จแล้วก็ตัดเข้าไปกินใหม่มันก็อาจจะไม่อยากกินละอาหาร อ, าอร่อยขนาดไหนก็ไม่อยากจะกินละถ้าเห็นหน้าตามันที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องการขายอะไรเลยต้องชิม<อ>ต้องกินต้องร ได้แก้ได้แต่เราอยากจะอยาจะแก้ก็ต้องกินยามที่เป็นยาขมที่เราไม่อยากจะกินใช่ไหมยาธรรมะนี่ต้องบังคับมันถึงถึงจะเกิดขึ้นมาถ้าไม่บังคับมันไม่มันไม่มไมเกิดเห็นต้องบังคับพิจารณาอะคิดถึงอาเจียนบ้างคิดถึงอาจมบ้างคิดถึงอุจาระบ้างอันนี้ก็เป็นอาหารทั้งนั้นเน่ยใช่ไหมมันมาจากไหนอ่ะ ก็ของที่เรากินเข้าไปนั่นแหละมันก็ออกมาก็ดูหน้าตามันว่าจํามันไว้แบบนี้ทุกครั้งที่กินเนี่ยวลามันกินแล้วมันกลายเป็นอะไรมันก็จะทําให้ความอยากกินน้อยลงไปจนในที่สุดก็กินแบบกินยาได้เมื่อถึงเวลาก็กินไม่ยังไม่ถึงเวลาก็เฉยๆเนี่ยในอาหานี้แค่เขาให้กินแบบกินยาแต่กินแบบกินยานี้ไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อจิตใจ ไม่ได้ทําให้ติดถ้าได้กินแบบอไม่ได้กินอยา ก, กินแบบกินขนมเนี่ยมันติดมันอยากจะกินอยู่เรื่อยๆกินจนกระทั่งร่างกายกลายเป็นตุ่มเลยกินถ้าเรา ห, หัวหิวเราไมกินก็นนต้องมีมีเวลามีต้องมีเวลามีเหตุมีผลถ้าตินแป้งก็ต้องก่อนเที่ยงถ้าเราใช้วิธีว่ากินมือหิวมื อ, อไหนกินมือนั้นอย่างนี้นนนไม่ได้ ก็มันก็มือเดียวมือไหนก็ได้นะมันคุณเลือกเอาก็ได้กินมือเดียวคืมือเย็นก็ได้จะกินมื้อเย็นก็ได้แต่ให้กินมื้อเดียวอเต่งที่เลมือเดียวเต่งที่เลยกินเท่าไหร่เท่าไหร่กินเข้าไปออ่งแต่ว่ากินมือเย็นมันไม่ดีตรงที่กินแล้วมันจะง่วงมันจะนอนมันจะไม่ได้ภาวนาแล้วช่วงกลางวันมันก็จะหิวทรมานสกินตอนเช้าแบบพระดีกว่ากินเสร็จแล้วมันก็จะไม่หิวทั้งวัน มันก็จะทางานทําการได้แล้วพอตอนเย็นจะนั่งสมาธิก็ไม่ง่วงแล้นั่งสมาธิจนถึงเวลานอนได้ถ้าไปกินตอนเย็นมันพอกินเสร็จมันก็ง่วงนะ้มันไม่อยากจะทําอะไรนั่งสมาธิก็ไม่ได้แล้วก็ตอนกลางวันที่ไม่ได้กินก็หิวไปทั้งวันไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงจะทำอะไรเผื่อถ้าจะกินเมื่อเดียวนี้ต้องกินแบบพระกินตอนเช้ากินเมื่อเดียวกินให้เต็มที่เลย กินเสร็จมันอย่างมากมันก็ง่วงแค่ชั่วโมงสองชั่วโมงมันก็หายง่วงแล้วกินตอนสายมันต่างกันตรงไหนนะกุ้มันเช้าเกินแล้วมันเจอนานควรจะนอนใช่ไหมครับไม่หรอกมันมันเป็นไซเคิลเหมือนกันอ่ะมันพอเรากินต้นๆมันมันอาจจะรู้สึกแปลกๆแต่ต่อไปมันก็จะมันก็จะทุกยีิบสี่ชั่วโมงก็กินครั้งหนึ่งมันก็ไม่ต่างกันหรอกกินกินช่วงไหน เป็นแบบที่มันกินช่วงเช้ามันดีมันจะได้จัดการให้มันเสร็จเรียบร้อยไปไม่ต้องมาวุ่นไวายไปเห็นต้องมานั่งรอกินเวลานั้นเวลานี้อีกเด็กก็มากินเลยกินได้มันอิ่มไปเลยเสร็จแล้วจะได้ไปทํางานทําการไปทําอะไรได้อย่างสะดวกไม่ต้องมากัวงวลใหญ่เรื่องการกินแล้วอ่าให้กินให้มันก็เคยกินสองมือ้อนะกินง่ายดีตอนเย็นตอนพอ ล, นอลังจะจ่อง อ, อยิงอย่งมื้อเดียวยิ่งง่ายใหญ่ ก็กินสองมื้อรวมกันทีเดียวไงฟ้อมกันไงจะโหดตรงไหนมันไม่ไหวท้องมันไหวมันตอไปมันก็ใครมันก็มันชินของมันเองไงใหม่ใหม่ันอาจจะไม่ชินอาจะชินกูจะนานไม่นานหรอกไปลองไหคคนที่เขามาบวชให้เขาทำกันได้ทุกคนบอกเขาเข้าวัดเขาก็กินไม่เดียวอืมวม่เปน่วดเรื่องใหญ่อยู่ที่ตัวเราต่างหากว่าเราจะยอมหรือไม่ยอม เราไม่ยอมเล้วค่อยฝึกสองก่อนแล้วค่อยหนึ่งจะได้แบบค่อยเป็นค่อยไปอันนั้นเดี๋กลัวเวลามันจะไม่พอเลยกลัวไม่เป็นแค่ไหนแค่นั้นไงอ๋อแค่ไหนกนทีเนี้ยสันโดดทีธรรมะเนี้ยสันโดดแต่เรื่องอือนไม่สันโดด ก็ลองพิจารณาเรื่องปฏิกูลของอาหารอยู่เลยอื่อตอนเวลาถ่ายจิจราศก่อนจะกิจราศก็นั่งเพ่งอยู่สักพักหนึ่งเราพิจารณาเนี่ยไข่เจียวไข่ดาวขนมอะไรเนี่ย๋อมันมันอยู่ตรงนี้เองเหรอไม่จะ่พีนะว่าอัี้มันเคยอยู่ในร่างกายเราเมื่อก่อนเคยอยู่ในตัวเราแต่ทําไมพอออกมาแล้วมันถึงคนถึงง่ายขึ้อทั้งที่มันก็อยู่ในตัวเอ เวลาก่อนกินพระพุทธเจ้าสอนให้พิจารณาอาหารก่อนไงก่อนจะกินให้ดูอาหารก่อนนึกถึงอาหารเก่าเอมาเทียบกับอาหารใหม่ความข้างๆจางนกันเลยก็น่ารับภาพแหละไม่ได้คของจริงมไม่ได้สาดิตขนาดนั้นหรอกพราะมันมันใจก็ะถารูปไปก็ได้เดี๋ยวนี้มีกล้องเยอะๆแล้วไม่ายน เซลฟี่อยางเอิญเซลฟี่ได้เ <laughs> นีย่ย <laughs> <laughs> ไม่เซลฟี่ใครเนี่ยอะมันต้องวิปลิฮะมันถึงจะหลุดเ <laughs> อียอยากจะหลุดต้องวิปลาสิอยงหลวอพระพุทธเจ้าท่านไม่วิปลิสแล้วอดข้าวตั้งสี่สิบเก้าวันเนี่ยใช่ไหมท่านอยากจะหลุดเนี่ยท่านถึงทําของที่มันเป็นวิปลิาสําหรับในสายตาของพวกคนที่ไม่วิปลิอเห็นต้องต้องเอาโหดๆมันถึงยา มันถึงจะสู้กันได้ถ้าเอาเบาๆนี่มันก็มันก็สิเลนไม่กลัวต้องตบหัวเปันแรงๆดังทีมงานมีอะไรไหมเดี๋ยวจะฟังไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะมีมีมีคำถามทางเฟ e b o o k เข้ามาตอนนี้ยังถ่ายทอดสดอยู่ตอนนี้ถ่ายทอดสดสามช่อง Facebook, YouTube แล้วก็มีรับรับดัมมะเรดียลฟังได้สามทางแต่มีมือถือตอนนี้อยู่ที่ไหนก็ติดตามได้เช่นตอนนี้มผีผู้ชมทางบ้านกำลังรอจะถามคำถามอยู่ตอนนี้เข้ามาเท่าไหร่นะเหนือเท่าไหร่นะเสามร้ <3 15. S 1> อยสิบห้าค่ะอ่าเาสิม YouTube ายูทูปกี่ไรยูปสี่สิบเจ็ดเอ47จ็ดร่บ มีคำถา ม, 18, มขึ้นไปห้สิบสามมีคาถามไหยังมีคำถามเลยคำถามจากคุณพาดาช่วงนี้โยมไม่ค่อยสบายเลยเว้นการนั่งสมาธิไปอยากขออุบายพระอาจารย์ในการภาวนาในช่วงไม่สบายนี้เราควรพิจารณาอย่างไรคะก็ควรพิจารณาว่าร่างกายเป็นไม่เที่ยงเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดา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 หายก็หายไม่หายก็ก็อยู่กับมันไปแล้วใจของเราก็จะไม่ทุกข์กับมันคบถามจากคุณรัชดาพรที่ครูบาอาจารย์สอนว่าอย่าติดดีรบกวนพระอาจารย์ยกตัวยอย่างด้วยค่ะอันนี้นึกไม่ออกนะอเลยอะดู่้่ คือความดีให้ทำไปแต่เมื่อถ้าจักจะทำความดีแล้วไม่ได้ทำมันทุกข์ก็อยา่าอย่าไปทำเช่นทำบุญแล้วมีความสุขใจแล้วพอดีตอนนี้ไม่สบายอยากจะไปทาบุญไปทำไม่ได้แล้วทุกข์ใจต อ, อนนี้ก็ต้องหยุดก่อนอย่าเพิ่งไปทำไปถึงเวลาไปทำได้แล้วค่อยไปทำคือทำแบบไม่ติดทำได้ก็ทำทำไม่ได้ก็ไม่ต้องทำก็เรียกว่าไม่ให้ติดดี ถ้าติดดีแล้วบางทีอยากจะทําแล้วไม่ได้ทํามันก็จะทุกข์ขึ้นมาพอการทําความดีเป้าหมายหลักก็คือให้เราสบายใจเพื่อไม่ให้เราทุกข์ใจแต่เมื่อเราอยากจะทําความดีทําให้เราทุกข์ใจก็แสดงว่ามันมันมันไม่ถูกแล้วเราก็ต้องหยุดคำถามจากยูทูบลูกนั่งสมาธิแล้วเกิดอาการัวดีนั่ไปสักพักเห็นตัวเองเป็นโครงกระดูกนั่งสมาธิอยู่มันบอกตัวเองว่า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 ตาจิตันไม่กลัวความตายมันจะไม่สั่นมันจะเฉยมันจะนิ่งคำ ถ, ถามจากคุณบีราพรการปฏิบัติที่มีเป้าหมายเพื่อปล่อยวางร่างกายนั้นหากยังมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับร่างกายเช่นมีปัญหาสุขภาพหากนั่งสมาธินานๆหรือเดินจงกลมนานๆอาจจะมีผลกระทบต่อร่างกายก็จะพยายามหลีกเลี่ยงการนั่งหรือเดินานานๆเพราะเกรงจะกระทบต่อร่างกาย กลัวว่าหากพิการไปแล้วจะไม่สามารถปฏิบัติได้ถ้ายังคิดอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการลักตัวกลัวตายอยู่ใช่ไหมคะและถ้าหากจะฝึกปล่ปปอยร่างกายต้องคิดว่าร่างกายจะเป็นอะไรช่างมันแต่จะขอเอาชนะกิเลสความกลัวนี้ด้วยการปฏิบัติตายแบบนี้ถูกต้องไหมคะถูกแล้วคำ ถ, ถามจากคุณติ๊ด เราจะทราบได้อย่างไรว่าคนที่คุยด้วยเป็นพระโซดาบันเขาว่าละสังโยสสามได้แล้วเราก็ต้องเป็นโซดาบันด้วยเห <c oughs> มือนคุยกับคนที่จบปริญญาตรีถ้าเราไม่จบปริญญาตีเราก็ไม่รู้เขาจบหรือเปล่าอย่างนั้นเราต้องจบปริญญาตรีแล้วสูงกว่าเราถึงจะรู้ว่าเขาจบจริงหรือไม่จริงคำถามจากคุณกาญชนา ขอทราบแนวทางการนำสติเพื่อกำกับการผัดสะจากอายันตอายนตนัทุกช่องทางเพื่อไม่ให้ติดฟุ้งตามมีแนวทางปฏิบัติอย่างไรคะก็ให้ใช้พุทโธเนี่ยฝึกสติด้วยพุทโธเวลาเห็นอะไรก็พุทโธพุทโธไปอย่าไปปรุงแต่งว่ามันดีหรือไม่ดีให้อยู่กับพุทโธไปพุทโธไปให้รู้เฉยเฉยอย่าไปปรุงแต่ง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 เรายังต้องนอนกับเขาเราก็พิจารณาส่วนที่ไม่สวยงามของเขาพิจารณาสุภาษะพอเห็นเขาเป็นซากศพเห็นอาการสารสิบสองเห็นตับไตไส้พุงการอารมณ์ก็จะหมดไปก็จะขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งก็เหลือถ้าขึ้นถึงขั้นนี้เร้ก็ไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ละไเกิดเป็นพรมแล้วก็ไปทำขั้นสุดท้ายต่อไป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 ขอกพระอาจารย์เมตตาชี้แนววิธีคิดและวิธีปฏิบัติเพื่อจะลดละได้มากกว่านี้ค่ะใช่มันไม่เบียด ม, ม, มันไม่เบียดเบียนคนอื่นแต่มันมเบียดเบียนตัวเราซิเพราะความอยากมันจะกดดันให้เราไปหาเงินหาทองมาซื้อของตามความอยาก ต, า ต, าตา่างๆเราซื้อได้มาแล้วเดี๋ยวก็เกิดความอยากใหม่จะซื้ออีกมันก็จะเบียดเบียนเราไปเรื่อยๆทําให้เราต้องมาวุ่นวายกับการหาเงินหาทองเลยไม่มีเวลาที่จะมาะปฏิบัติธรรมกัน งั้นทางที่ดีเวลาอยากได้อะไรเอาเงินที่เราจะซื้อนั่นมาทําบุญดีกว่าเออพอเราเอาเงินไปทําบุญความอยากจะซื้อของนั้นมันก็จะเบาลงไปแล้วความสุขเราได้จากการทําบุญก็จะทําให้เราไม่อยากได้อะไรวิธีแก้ก็คือทุกครั้งอยากจะได้อะไรก็เอาเงินที่เราจะซื้อของ ท, ที่เราอยากได้นั้นเอาไปทําบุญหรือซื้อของที่เราอยากได้แล้วเอาไปให้คนอื่นเป็นของขวัญให้คนอื่นไป เราชอบกระเป๋าใบนี้ก็ซื้อแล้วก็ออกไปให้เพื่อนเจอบรองเท้าคู่นี้ซื้อแล้วก็ออกไปให้เพื่อนเนถ้าทําอย่างนี้ต่อไปก็ไม่อยากจะซื้อห้องถามจากคุณเบิร์ตหากเราจะไปบวชไม่สึกเพื่อศึกษาธรรมโดยไม่ได้ดูแลครอบครัวพ่อแม่เราจะบาปที่ไม่ได้ดูแลท่านหรือเปล่าครับ๋ไม่บาปหรอกนอกจากว่าถ้าท่าน ดูแลตัวเองไม่ได้แล้วไม่มีใครดูแลเราก็ต้องดูแลเพราะมันเป็นความรับผิดชอบของเราเป็นหน้าที่ของเร า, ราการไปบวชก็ไม่ได้บาปเพียงแต่ว่าไม่ได้ทำหน้าที่ที่ควรจะทำแล้วก็อาจจะเป็นอุปสตรรคต่อการไปบวชอยู่ดีพอมาไปบวชแล้วก็จะเกิดความหงอยเกิดความรู้สึกไม่ดีขึ้นมาจะทาให้ไม่มีสติพอที่จะปฏิบัติทาได้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 ถามจากคุณศิษย์ิสิทธ์าการทําสมาธิทําไมถึงได้บุญครับทั้งๆ ท, ที่นั่งเหู่เฉยๆคาว่าบุญก็คือความสบายใจความสุขใจนะดังความสุขใจจากการนั่งสมาธินี้มันมากกว่าความสุขใจจากการทําบุญทําทานทาบุญทําทานใส่บาทนี้ได้ความสุขใจนี้น้อยกว่าความสุขใจที่ได้จากการนั่งสมาธิทําใจให้สงบ คำถามจากคุณกูลปัญญาอบรมสมาธิกับสมาธิอบรมปัญญามีหลักในการทําอย่างไรและแตกต่างกันไหมคะคือปกติเนี่ยการที่จะมี ม, มีปัญญาได้ต้องมีสมาธิก่อนจะต้องมีความสงบมีความตั้งมั่นถึงจะคิดในทางปัญญาได้คิดในทางเหตุทางผลได้ถึงจะทําให้ อ, อ่า เห็นความจริงเห็นเห็นวิธีการดับความทุกข์ได้ต้องมีสมาธิก่อนถึงจะไปเจริญปัญญาได้ดังนั้นคนที่มีสมาธินี้เวลาไปเจริญปัญญานี้จะได้ได้ประโยชน์เพราะปัญญาจะเป็นประยปัญญาที่ดับความทุกข์ได้ส่วนการที่ใช้ปัญญาอบรมสมาธินี้เป็นเรื่องของคนที่คิดในทางปัญญาเป็น คิดด้วยเหตุด้วยผลเป็นเชเวลาจะนั่งสมาธิแล้วใจกำลังวิตกกังวลกับเรื่องงานเรื่องการหรือเรื่องครอบครัว Perfect. ก็ใช้ปัญญามาพิจารณาเพื่อจะตัดปัญหาที่เราไปกังวลอยู่เช่ น, นกังวลกับเรื่องครอบครัว <c oughs> ก็พิจารณาว่าครอบครัวเราก็ไม่เที่ยงไม่ท้าก็เร็วก็ต้องตายกันจากกันไปตอนเราอยู่ตรงนี้ตอนนี้เราก็ไปทําอะไรไม่ได้อยู่ดี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 ถ้ามันไม่มีเหตุการณ์มั น, ม, นมันก็ใช้ไม่ได้เช่นใจเราไม่ฟุง้งไม่มีอะไรไม่มีปัญหาอะไรไม่รู้ใช้ปัญญาไปก็เป็นการทําการบ้านไปเท่านั้นเองเป็นการเตรียมตัวปัญญาจะเป็นประโยชน์ก็ต่อเมื่อมีความทุกข์เกิดขึ้นเหมือนยาเนี่ยจะเป็นประโยชน์ก็ต่อเมื่อมีโรคภัยไข้เจ็บถ้าไม่มีโรคภัยไข้เจ็บกินยาไปมันก็ไม่มีความแตกต่างอะไรเช่น ต, ตอนนี้เราสบายกินยาอะไรเข้าไปมันก็ไม่ได้มีผลอะไร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 เวลานั่งแล้วเจ็บก็บริกรรมพุโทโธพุโทโธให้ถี่เวลาอยากไปคิดถึงความเจ็บดึงใจให้ออกจากความเจ็บให้มันอยู่กับพุโทโธพุโทโธแล้วพอดึงออกมาได้ใจก็จะสงบแล้วความเจ็บมันก็จะไม่มากดลบกวนใจฉันั้นก็มีสองวิธีวิธีที่ง่ายก็คือวิธีใช้สติทําใจให้สงบแต่คนบางคนใช้สติ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 ตอนนั้นเราก็ต้องใช้การเพ่งแล้วใช้เพ่งดูลมหายใจหรือเพ่งอยู่กับพุโทโธพุทโธไปเพื่อไม่ให้มันมีโอกาสไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆมันถึงจะสงบได้คําถามจากคุณนิรมนตอนนั่งสมาธิใจจดจ่ออยู่กับพุโทโธพุทโธจนรู้สึกว่าในสมองว่างเปล่ารู้สึกว่าพื้นที่ในสมองเป็นสีดําแต่มีแสงสว่างกลมๆอยู่ตรงกลาง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 เขาได้บุญแต่มันบุญคนละอย่างกันไม่ใช่บุญที่เกิดจากการให้ข้าวของบุญที่เกิดจากการให้ข้าวของนี้เป็นต้องเกิดจากการให้ข้าวของเพราะอันนี้สงผลตอบแทนมันไม่เหมือนกันเนี่ยเพราะว่าถ้าเราทําบุญด้วยข้าวของนี้ข้าวของต่างๆที่เราทําไปมันจะเป็นของเราต่อไปในอนาคตเวลาเรากลับมาเกิดใหม่เราก็จะมีข้าวของเงินทองรออยู่แต่คนที่ร่วมมนุโมทนาบุญด้วยเวลากลับมาเกิดไม่มีข้าวของรออยู่ เพราเขาไม่ได้ทำํำก็เพียงแต่ว่ามีคนจะมาคอยอนุโมทนาด้วยเวลาที่เขาทำบุไม่มีใครก็มาขัดควาวมันเป็นบุญเหมือนกันแต่มันเป็นบุญคนละอย่างเข้าใจไหมเวลาเห็นคนอื่นเขาทาบุญแล้วเราอนุโมทนาเราก็เกิดความสุขใจเราจะได้ไม่อิจฉาริษยาเขาใจไหมต่อไปเวลาเราเห็นคนอื่นเขาทําความดีเราก็จะได้อนุโมทนาเอ เราก็จะรู้สึกสบายใจแทนที่จะไปอิจฉารู้สึกไม่สบายใจยทำบุญอยู่เลยชอบเอาหน้าเอาตาอย่างงาุ่นอย่างนี้มาว่ากันแล้วตัวเอก็ทุกไปกาเปล่ า, าไม่เกิดประโยชน์อะไรการนม่งพุทธนาเพื่อกำจัดความอิจฉาลิสยายตั้งคำถามจากคุณสายนะ้าถ้าไปทำบุญกับภรรยาภรรยาเป็นคนซื้อสังฆทานแล้วนาไปทอไหวด้วยกันสามีจะได้บุญเท่ากันไหมครับ ขึ้นอยู่ว่าเป็นของของใครถ้าเป็นของร่วมกันเป็นสมบัติร่วมกันก็ได้ด้วยกันเป็นของต้องเป็นของของบุคคล น, นั้นบุคคล น, นั้นก็จะได้บุคคลอื่นถึงแม้จะไปร่วมทางด้วยแต่ไม่ได้เป็นเจ้าของไม่มีส่วนเสียเงินทองไปเขาก็ไม่ได้เขาก็จะได้ส่วนที่ร่วมอนุโมทนาเรือส่วนที่ได้ไปไปช่วยเหลือกันไปช่วยค้นของให้เขาเอย่างนี้ก็ได้บุญส่วนนั้นไปคำ ถ, ถามจากคุณทรงวุฒิเมื่อมีคนให้เข้าวสารแก่เรา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 ให้ไม่ได้แต่แม่อาจโกรธเราน้อยใจเราบ่นเราเราบาปไหมคะ อ, อ๋อไม่บาปนะแม่น่ะบาปเพราะแม่ลูกแม่ควรจะยินดีตามมีตามเกิดแล้วอนุโมทนาลูกให้มากให้น้อยก็อนุโมทนาไปป้าก็จะมีความสุขแต่ถ้าแม่เคยได้มากแล้วพอได้น้อยแล้วแม่ไม่พอใจนี่ก็เป็นกิเลสใช่ไหมข้อ <c oughs> ที่สามการภาวนาตอนทานข้าวแล้วเกิด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 หรือรู้ว่าไม่เจอผู้รู้แล้วตกใจต้องหายใจลึกๆตรวจมนจึงจะเจอรู้แบบนี้คืออะไรเจ้าคะก็หลงอะไครครัจยิงตัวรู้กำลังหาตัวรู้อยู่นะเหลื อ, อกี่ข้อเอาสักเกือบสองข้อนะเพราะจะหมดเวลาละคำถามจากคุณพิชชาภากว่าจะเข้าใจการใช้คำบริกรรมพุโทโธเคยฟังหลวงตา เข้าใจว่าพุทโธ ต, ตามลมหายใจอกใจแน่นแน่ชัดตอนที่มาฟังพระอาจารย์แล้วถูกใจเข้าใจที่พระอาจารย์สอนทำเขาไลฟ์ฟังค่ะอ่าไลก็เร า, ก, ราก็ผ่านไปทำคำามอันนี้จากจาก u t u b e นะครับจากเรียนพระอาจารย์ค่ะถ้าเราขอยืมเงินคนอื่นทําบุญก่อนแล้วค่อยบุนทีหลัง <c oughs> เรายังได้เรายังมีมีแค่เนี้ยเรา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 ก็ไม่คืนเราก็ถือว่าเป็นการทำบุญไปเป็นการให้ไปเขาก็จะได้บุญหมดแล้วนะกีว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิจิตพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอเอราอยากจะติดตามก็ติดตามได้ทุกวันนะมีถ่ายทอดสด บ่ายสองโมงถึงสี่โมงเฟซบุ๊ยอาจารย์สุชาติแล้วยู u ูบดิอยู่บ้านเหมือนไงแต่บรรยากาศไเหมือนกัน <c oughs> มันไม่มันไม่ได้อะไรอ้อมาการโต๊ต่อต อ, ต อ, ตอ่านี่ <c oughs>